เมื่อเย็นวานนี้ขณะที่อนุชามาพบรอยเข้าแล้วเรียกพวกเรามาดูมันเป็นเวลาซ้อนเหลื่อมที่เกิดขึ้นเฉพาะตรงนี้คือได้มีรอยของเจ้าไทร์นูซรัสมาปรากฏเหยียบประทับไว้จริงแต่พอเช้าวันนี้เราผ่านมาดูอีกครั้งเวลามันได้เข้าสู่สภาวะปกติแนละรอยที่มันเหยียบไว้เมื่อลานลานปีก่อนจึงได้สูญหายไปเอจะว่าไปมันก็เหมือนฝันนะ เหมือนฝันจริงๆเลยแล้วก็เป็นความฝันร้ายเอามากๆซะด้วยบนเส้นทางสายนี้ถ้าหากว่าการเวลามันเกิดซ้อนเหลื่อมขึ้นมาเมื่อไรซึ่งก็ไม่มีกฎตายตัวใดๆจะมาบอกกับเราได้ว่าเมื่อไรมันจะเกิดการซ้อนเหลื่อมของเวลาขึ้นอีกอนุชากัชยันพูดไม่ออกไดแต่กรอกหน้าและสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงอยู่เช่นนั้น นันอินกับขยินยิ่งไม่รู้เรื่องหนักเข้าไปอีกพยายามจะถามเชตหาอธิบายไม่ได้เพราะไม่ทราบจะอธิบายยังไงก็ตกเป็นหน้าที่ของดารินที่จะต้องพูดทําความเข้าใจกับทั้งสองเฉะฉะัยไปซะอีกแบบหนึ่งว่าเมื่อเย็นวานเนี่ยเจ้าป่าทําอภินิหารหลอกพวกเราทั้งหมดลวงตาให้เราทั้งหกคนนมาพบเห็นรอยประหลาดเข้าเพราะเช้าวันนี้แสงตะวันขึ้น รอยก็เลยพลอยหายไปด้วยอย่าไปสนใจอะไรเลยหลุงอินก็แค่ยินเจ้าป่าล้อเราเล่นแค่นั้นแหละก็แล้วเมื่อตอนที่มันคำรามดังเป็นเสียงฟ้าร้องอยู่เมื่อใกล้ใกล้รุ่งนี่ล่ะนายหญิงนั่นมันอะไรนั่นอินไม่ไวเคลือบแพลงถามเสียงอ่อยมาอีกก็นั่นแหละเป็นอภินิหารของเจ้าป่ามาลองเชิงเราทั้งนั้นแหละ แดนนี้ลุงอินก็รู้นี่ว่ามันเป็นดินแดนอาถรรพ์แรงมากขอให้เราคุมสติให้ดีเท่านั้นแหละก็จะไม่มีอะไรมาทําอันตรายต่อเราได้เลยอ่ะลุงกะขยินก็รีบตามพวกนั้นไปเถอะไตทางขึ้นป่าหินไปแล้วะเดี๋ยวก็หลงกันซะเท่านั้นแหละเดี๋ยวพวกฉันจะตามไปทีหลังไม่ต้องห่วงนะดารินตัด บ, บทหลอนไม่มีทางจริงๆที่จะอธิบายให้ทั้งนันอินและขยิน สามารถเข้าใจได้อย่างเช่นที่หลอนอธิบายให้พี่ชายและเพื่อนชายฟังทั้งนั้นอินและขยินกรอกตาเอามือเกาหัวอยู่ยิกยิกเมื่อพรานชดเตือนมาอีกครั้งทั้งสองจึงผละออกจากตำแหน่งนั้นเร่งฝีเท้าตามพวกลูกหาดซึ่งกำลังเหยียบเข้าสู่ป่าหินอันมีลักษณะเหมือนใครมาปลูกเป็นตึกรามบ้านเรือนและมีกำแพงกั้นล้อมไวในทันทีณนะสถานที่นั้น จึงเหลือยืนกันอยู่เพียงแค่สี่คนคือดารินเฉถาอนุชาและชยัยันมันก็น่าแปลกนะแต่มันก็เป็นจริงเหมือนเช่นที่เธอบอกทุกอย่างน้อยชยันเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแห้งๆจากสีหน้าปั้นยากของเขาสำหรับอนุชานั้นสายหน้าไปมาอย่างแทบจะเชื่อเสียไม่ได้ มันไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เกิดเป็นจริงอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยอเรื่องนี้พี่ใหญ่คิดไงล่ะพี่นะคิดว่าทฤษฎีการซ้อนเหลื่อมของเวลาตามที่น้อยว่าน่ะเป็นความจริงร้อยเปอร์เซนต์เพราะได้พิสูจน์ได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและอะไรที่ทําให้มันเกิดขึ้น แต่มันก็พอที่จะให้เราเข้าถึงความจริงที่เราเคยสงสัยกันสนักหนาแล้วว่าทำไมเราจึงไปพบไอสัตว์โลกล้านปีเหล่านั้นเข้าแล้วมันจาเป็นจะต้องมาเกิดเอาในขณะที่เราเยี่ยงเหยียบย่างเข้าสู่ดินแดนนี้ซะด้วยเอาละน้อยในฐานะที่เธอสามารถนำพิสูจน์ให้เราได้เห็นความจริงตามที่เธอพูดแล้วฉันอยากรู้ว่าเธอมีข้อแนะนำอะไรอีกมั่งไหม ตอนนี้ขอรับฟังอย่างศรัทธาที่สุดละชยันหันไปมองดาริงแล้วถามขึ้นด้วยอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวฉันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะในแดนอาถรรพ์รุนแรงถึงขนาดนี้สมัยพี่กลางกับลุงอินผ่านมานีน่ไม่เกิดปรากฏการชนิดนี้ขึ้นแต่ตอนที่รับพินนำเรามาในครั้งก่อนก็ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และก็เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานซะด้วย จนถึงขนาดที่ต้องปะทะต่อสู้โรมรันกับพวกมันและมาคราวนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้พบอีกแล้วเพียงแต่ในครั้งนี้เรารู้ทันเท่านั้นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ชนิดใดก็คิดว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือภาวนาบิงบอลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออย่าให้ปรากฏการณ์ซ้อนเหลื่อมของเวลาอันจะนาพวกเราทั้งหมดไปสู่ภัยพินาษได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแลวก็อย่าเกิดในภาวะการร้าย เหมือนที่พบกันมาแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องเผชิญกับ ม, มันด้วยไหวพริบสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนโดยเอาตัวพวกเราทุกคนให้รอดพ้นไปได้ก็แล้วกันสิ่งสำคัญก็คือขอให้พวกเราได้เข้าใจสภาวะการเอาไว้จะได้ไม่เสียสติเป็นบ้างและไม่ต้องไปค้นหาคำตอบว่ามันเป็นไปได้ยังไงเทศายืนนิ่งเหมือนจะหาทางพิเคราะห์อะไรอยู่ชั่วอึดใจเดียว ก็บกมือกับทุกคนสั่งเรียบๆมาว่าอะตามพวกนั้นไปกันเถอ ะ, อะกำลังจะรับตาไปแล้วทั้งหมดสี่คนจึงออกเร่งฝีเท้าตามหลังพวกลูกหา่าที่กำลังเหยียบเข้าสู่บริเวณป่าหินด้านบนสูงขึ้นไปโดยเร็วมันเป็นบริเวณป่าหินกว้างใหญ่สลับซับซ้อนกว่าทุกแห่งที่ต่างเคยพบหรือผ่านกันมาแล้วในอดีต แม้แต่นั้นอินและอนุชาเองก็ต้องยอมรับว่าในการเดินทางมาในครั้งก่อนก็ไม่เคยพบมาก่อนมีหนทางเลี้ยวลัดบกบนแยกไปได้นับไม่ถ้วนเหมือนเดินอยู่ในบริเวณของเขาวงกฎฉะนั้นและสภาพของอากาศตลอดจนหมู่เมฆบนท้องฟ้าก็มีปรากฏการณ์เหมือนเมื่อวานนี้อีกครั้งคือมีแสงเลื่อมระยับเป็นสีสันต่างๆอยู่ทุกทิศทาง เมฆก็ลอยต่ำเหมือนจะห่างจากศีรษะขึ้นไปเบื้องบนไม่มากนักและดูเหมือนกลุ่มหมอกเพลิงดารินณนะครั้งแรกๆ ก, ก็เดินรวมกลุ่มอยู่กับเชิฐาและช ย, ยันแต่พอขึ้นชั่วโมงที่สองหล่อนสังเกตหินนั้นอินและพี่ชายกลางซึ่งเดินนําไปเบื้องหน้ามีอาการเหมือนจะลังเลและหยุดสำรวจทิศหารือกันอยู่บ่อยครั้งข้าวจึงเร่งฝีเท้าเดินตามขึ้นไปทันคนทั้งสอง เอางี้แ้กันพี่กลางกะลุงอินคอยเป็นตาหลังคุมทางด้านหลังของน้อยไว้แล้ะกันนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบพิษไว้ด้วยถ้ายัางไม่ไว้ใจพอก็ขอให้น้อยนําทางไปดีกว่าหล่อนบอกมาเสียงต่ำๆแล้วเดินผ่านทั้งสองไปนําอยู่เบื้องหน้า ท, าทันทีอย่างไม่ระยอยัน่นพรั่นใจต่อภูมิประเทศอันเหมือนโลกรางนั้นใดๆทั้งสิ้นเอานี้คอยรู้สักนิดนะ น้อยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเดินส่งเดชไม่ได้เป็นอันขาดน่ะสภาพของมันนะเขาวงกดชัดๆถ้าพลาดนิดเดียวเราไม่ไปไหนไกลเลยนอกจากเดินวนเวียนอยู่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยค่ะวางใจเถอะค่ะถึงไงน้อยก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันเอาเป็นว่าพี่กลางนะคอยตรวจจับทิศไวล้ละกันเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าน้อยเดินวนหรือเปล่าในภาวะที่ตกลงกันไวก่อนแล้ว ประกอบกระสีหน้าและน้ำเสียงของน้องสาวทำให้อนุชาไม่อาจที่จะทักท้วงสกัดกันด้นใดๆไว้ได้สองคนกระ น, นอิงจึงได้แต่สืบเท้าก้าวตามไปแล้ววิทยุบอกพี่ชายใหญ่อันเดินคุมอยู่ใกล้ขบวนลูกหาบให้ทราบเชษฐาจึงสั่งการไปว่าใหญ่ค่าจากสายตาก็แล้วกันนะแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาอย่าเพิ่งขัดใจอะไรในตอนนี้ ดารินนไม่สนใจกับอะไรอีกทั้งนั้นสายตาของหลอนพุ่งจับไปยังเส้นทางด่านในระหว่างป่าหินอันมีอยู่นับไม่ถ้วนนั้นแล้วตัดผ่านเส้นทางที่หลอนไม่ต้องการล้ำหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งและไม่มีอาการแสดงให้เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยใดๆทั้งสิ้นบางครั้งหลอนจะผ่านเส้นทางใหญ่อันเดินอย่างสะดวกสบายที่เห็นอยู่โดยเลี่ยงเข้าไปในซอกแคบ บางครั้งก็ลอดซุ้มหินลึกอันมีลักษณะคล้ายๆอุโมงค์และบางครั้งก็ไต่ขึ้นไปตามเนินหินแบบตัดย่นระยะทางทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องเดินตามไปทุกระยะโดยไม่สามารถเข้าใจอะไรได้แต่อนุชาเชิถาและชยันก็พยายามจับด้วยเข็มทิศตลอดเวลาและมีความรู้สึกสัมผัสได้ตรงกันหมด ว่าน้องสาวคนเล็กตัดขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเวลาแม้ว่าจะมีความจําเป็นต้องเลี่ยงหินผาใหญ่เกินกว่าที่จะปีนไต่ขึ้นไปได้ในบางตอนแต่ในที่สุดก็พอวกอ้อมเลาะทางได้สําเร็จหล่อนก็จะเริ่มต้นตะวันออกเฉียงเหนืออีกดูราวกะรู้ว่าจะอยู่เส้นทางอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นป่าหินมหึมาอยู่ในสภาพครึ้ม เงียบกริบไม่มีวิแววของสรรสัตว์ใดๆที่จะโผล่กลายมาให้เห็นเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่เห็นแม้แต่พวกมแมลงหรือนกดูมันจะเป็นถิ่นวิเวกอ้างวางอย่างแท้จริงและต้นไม้สักต้นเดียวก็ไม่ปรากฏให้เห็นระยะก็ไม่สามารถจะมองออกไปได้ไกลเกินกว่า30เมตรเพราะหนอหินสูงๆต่ตํตบบาๆบดบังรายรอบไปหมด รอบทิศทางขึ้นชั่วโมงที่สี่ใกล้เที่ยงวันซึ่งอากาศก็ยังคงครึ้มสลัวคลุมเครืออยู่ในสภาพเดิมฝ่ายที่เดินตามหลังทุกคนเริ่มสัมผัสได้กับความผิดปกติบางอย่างดารินเดินรุดไปเบื้องหน้าอย่างแคล่วคล่องเว้นระยะห่างเพียงแค่ไม่เกินสิบห้าเมตรแต่อนุชาและนันอิน ซึ่งจัดได้ว่ามีฝีเท้าเดินโดงได้เหนือกว่าทุกคนแม้จะพยายามเร่งอย่างไรก็ไม่สามารถจะกระชั้นระยะหลอนเข้าไปได้ใกล้กว่านั้นคงมองเห็นหลังกันอยู่แค่นั้นเองโดยหลอนไม่ยอมที่จะหันกลับมาดูพักพวกบ้างเลยอนุชาตะโกนเรียกออกไปสองสามครั้งหลอนก็มีอาการเหมือนจะไม่ได้ยินใดๆเลยทั้งสิ้นคงก้าวพรวดพวดต่อไปอย่างไม่หยุดรออยู่เช่นนั้น เชิฐาและชยันใช้วิทยุเรียกลอนแต่ก็ไ ม, ม่มีเสียงตอบมาใดๆเลยเหมือนจะไม่ได้สนใจเปิดเครื่องรับไว้มันดูราวกับ ว, ว่าดารินวราฤทธิ์ขณะนี้ถูกตัดแยกออกไปจากคณะทั้งหมดแล้วทั้งๆ ท, ที่ก็มองเห็นกันอยู่ไม่ห่างนักแค่นี้เองฝ่ายพี่ชายทุกคนเริ่มเอกใจและปรึกษาหารือกันในสิ่งที่เริ่มรู้สึกว่าผิดปกตินี้ พร้อมทั้งพยายามจะเรียกให้หยุดรอรวมทั้งการช่วยกันออกวิ่งเหาะๆตามหลังผลปรากฏอยู่เช่นเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดไม่มีใครสามารถก้าวกระชั้นระยะใกล้หลังดารินเข้าไปได้เลยทั้งๆที่ก็มองเห็นอยู่ว่าหลอนเดินอยู่ในลักษณะอาการธรรมดาไม่ได้ลับหายไปจากสายตาแต่ก็ไม่อาจจะตามกระชั้นเข้าไปให้ทันหรือพูดกันได้ ตายแล้ววะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยชยันร้องขึ้นดังๆร้องเรียกก็ไม่เหลียวมาดูวิ่งไล่ก็วิ่งไม่ทันเชษฐายกมือขึ้นป้ายเหงือบนหน้าผากเมินมองไปยังด้านหลังของน้องสาวที่เดินดุมดุมนำอยู่เบื้องหน้าเหมือนจะเดินอยู่ตามลําพังคนเดียวไอ้เมันพีลึกซะแล้วนะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีฉากอะไรมาบังไว้ ระหว่างพวกเราทั้งหมดกันน้อยงั้นแหละนี่ก็เกือบที่ยังวันกันแล้วนะ่ะน้อยเดินอย่างไม่หยุดพักรอหรือเหลียวกลับมาทางพวกเราเลยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดซะด้วยเอาไงดีอะกลางประโยคหลังเขาหันไปถามอดีตพรานชดประชากรผู้ส่งทั้งสองกันนั้นอินออกกวตามหลังดารินจนหอบแทบสิ้นเรียวแรงและฝ่ายของเชษฐากับลูกหาบทั้งหลายได้เดินเข้ามาทัน อนุชายเองบัดนี้ก็มึนงงไปหมดแล้วน้อยหยุดก่อนหยุดก่อนเขาป้องปากร้องตะโกนเรียกออกไปสุดเสียงเท่าที่มีอยู่และในระยะที่ห่างกันแค่นั้นภายในที่แวดล้อมของป่าหินน้ำเสียงของเขากังวานสะท้อนกล้องไปหมดผลปรากฏอยู่อย่างเดิม ดารินมีอาการเหมือนไม่ยินยตนใดๆทั้งสิ้นขณะนี้หลอนกำลังไต่ไปตามนอหินอันขึ้นอยู่เตี้ยเตียตะปุ่มตะปั่นมุ่งเข้าสู่ซอกอุโมงค์เหมือนมีใครมาเจาะไว้เป็นถ้ำตื้นๆเพื่อทะลุออกไปยังอีกด้านหนึง่งเอ๊ะนี่ชักจะไม่เข้าทีซะแล้วลนายลักษณะของนายหญิงอะเดินไปเหมือนคนถูกสะกดจิตเงีแหละไม่มีท่าว่าจะอ่อนแรงหรือเหนื่อยเลยนะ นั้นอินหลุดปากออกมาอย่างตกใจอีกหลายคนก็ช่วยกันตะโกนเรียกรอนอีกเพราะมันเป็นระยะที่พอจะร้องเรียกกันได้ยินแต่ดารินก็ไม่ยอมหันกลับหรือแสดงท่าทีใดๆว่าจะได้ยินเจ้าว่าหลอนเร่งการเดินทางโดยไม่อยากจะหันมาสนใจกับพักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังในขณะ น, นี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้และหลอนก็ไม่ได้ทิ้งระยะห่างลิฟไปไกลคงรักษาระดับความห่างไวายอย่างคงที่ ลองตรวจสอบทิศทางอีกทีสิเชี่ถาบอกมาเสียงเร็วปรืออนุชาผูกเก็มกำเข็มทิศอยู่ในมือตลอดเวลาแบะออกไปมองดูท้องฟ้าที่คลุ้มเมฆด้านบนแล้วจ้องไปทางด้านหลังของน้องสาวตะวันออกเฉียงเหนือโดยตลอดครับพี่ใหญ่ตั้งแต่ออกนํามาตั้งแต่ต้นทีเดียวแต่ทําไมถึงเรียกไม่ได้ยินไม่เลี้ยวกลับไม่หยุดรอเลย แล้วทำไมพวกเราถึงเดินตามกันไม่ทันนะเนี่ยเอ่ลักษณะจะเดินนำเข้าไปในโพรงถ้ำทะลุที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นใช่ไหมชายันถามมาก็ไม่น่าจะเบนไปทางอื่นนีกละนอกจากจะไต่ขึ้นไปบนขอบหินทั้งสองด้านซึ่งมันชันมากนั่นไงผ่านเข้าโพรงถ้ำจริงๆแล้วอนุชาบุยปากให้ดูขณะ น, นี้ร่างของดารินเดินล้าเข้าไป ในเงามืดของโพรงหินใหญ่ซึ่งมองเห็นแสงสว่างรอคอยอยู่ยังฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึง่งอาการเดินของหล่อนก็เหมือนเดิมคือผ่านเส้นทางอันเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางนั้นไปตามสบายเหมือนภาพเงามายาเดียว่าแต่พวกของพี่ชายที่งุนงงอยู่ในขณะนี้เลยแม้แต่พวกลูกหาบที่เดินตามหลังมาเป็นขบวนก็สามารถสัมผัสได้กับสิ่งอันประหลาดผิดปกตินี้ และชี้บอกกันให้เั้นเอาละตามไปเรื่อยๆก่อนพอให้พ้นจากอุโมงนั่นเดี๋ยวผมจัดการเองอนุชาบอกกับพี่ชายใหญ่ตายังจับขมิงไปที่ด้านหลังของดารินไม่กระพริบทุกคนเดือหัวใจอันเริ่มสั่นระริกก้าวตามหลังหลอนต่อไปโดยไม่ปริปากคำใดหรือร้องตะโกนเรียกอีกเลย ร่างของดารินที่เดินนํำอยู่เบื้องหน้าด้วยอาการปกตินั้นล้าเข้าไปในเขตโพรงหินแล้วเพดานมันสูงเหนือระดับศีรษะของหลอนขึ้นไปประมาณวาสิกหลอนเคลื่อนไปภายใต้ถ้ำนั้นในระยะสายตาที่ยังมองหินกันอยู่แล้วก็โผล่ทะลุออกไปยังฟากตรงข้ามซึ่งมีลักษณะเหมือนจะมีประตูเสาหินขนาดใหญ่ดักอยู่ตรงหน้าหลอน ไม่ตรงไปยังช่องทางที่เห็นเป็นทางเดินสะดวกนั้นแต่เลี้ยวซ้ายเลาะไปตามหน่อหินที่ขึ้นเป็นทิวอยู่เหมือนจอมปลวกแล้วเดินเลียบไปทางเส้นทางแคบๆนั้นคณะทั้งหมดลอดใต้ถ้ำออกมาพอโผล่พ้นก็เห็นส่วนหลังของหลอนห่างระยะไปประมาณสิบถึงสิเอดเมตรเช่นเดิมเมื่อนั้นเองอนุชาจึงหยุดเดิน ส่งเอ็มเจ็ดก้าไปให้หนานอินช่วยถือไว้ก่อนตอนเองปลดจุดสี่ห้าแปดประจำตัวออกมาขึ้นประทับไหลเฮ้ยนั่นแกนจะทำอะไรชายันและเชษถาอุทานอย่างตกใจพร้อมกันเฉยไว้อดีตพรานชดบอกมาเสียงหนักๆเพียงแค่นั้นก็แตกไก เสียงกระสุนล้มช้างระเบิดสะเทือนกึกร้องร้าวฟ้าผ่ากระสุนวิ่งเลยผ่านศีรษะของดารินไปประมาณศอกเสรจแล้วพุ่งเข้าปะทะยอดหินด้านหน้าของหล่อนซึ่งแหงออกไปราวเจ็ดปดเมตรส่วนปลายยอดอันเป็นตะปุ่มขนาดลูกมะพร้าวห้าวกระจายเป็นฝุ่นมัวตลบและยอดหินตำแหน่งนั้นก็ขาดกระเด็นหายไปในพริบตา เมื่อ น, นั้นดารินวราริจึงหยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่แล้วหันขวับกลับมาด้วยอาการตกใจร้องเสียงแหลมถามมาว่าใครยิงอะไรมีอะไรเกิดขึ้นหรือท้าหยุดยืนอยู่กับที่อย่างนั้นแหละน้อยอยา่าขยับอนุชาตะโกนบอกไปเสียงหนักหนักรอนเบิกตาโตยืนมองอย่างงงงในขณะที่อนุชา เชิาและชยันสาวเท้าพรวดพรวดเข้าไปจนถึงตัวหล่อนโดยมีหนานอินขยินและพวกลูกหาปตามเข้าไปติดๆทั้งหมดตรงเขามารายล้อมหล่อนล้วนจ้องสายตาจับมาไม่กระพริบพอเข้าถึงตัวอนุชา ก, ก็จับไหล่ทั้งสองของหล่อนเขยา่าแรงๆน้อยน้อยน้อยมีอะไรเหรอคะ ทำไมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นตะกี้พี่กลางยิงอะไรเหรอลอนถามมาตื่นตื่นงงงทุกคนของฝ่ายที่ตามหลังมาอึง้งกันไปหมดชั่วขณะลักษณะของดารินเป็นปกติเหมือนเดิมอนั่งพักตรงนี้ก่อนน้อยนั่งตรงนี้แหละเชิาออกคำสั่งแล้วข้ามากดไหลน้องสาวคนเล็กให้นั่งลงกับก้อนหินตรงหน้า ตนเองก็สุดตามลงไปด้วยเอามือจับคางดารินไว้แล้วจ้องหน้าส่วนชา ย, ยั น, นะควะ้าข้อมือข้างหนึ่งของหญิงสาวไปตรวจจับชีพจรดารินอยู่ในสภาพที่ประหลาดใจมึน ง, งงต่อเหตุการณ์ร้องถามมาเสียงสูงอะไรกันเนี่ยชา ย, ยันนี่มาจับชีพจรฉันทำไมไม่มีใครสนใจกับคำถามและหน้าตาตื่นของหลอน แต่ช่วยกันตรวจดูสภาพทางร่างกายของหญิงสาวเท่าที่จะตรวจสอบได้เสียงชายันบอกมาเสียงต่ำๆว่าไม่มีอะไรผิดปกติขีปจอนแปดสิบหตามลักษณะของคนที่กำลังออกแรงอ่ะเชิดขาแกดูมาตาสิเออก็ปกติเหมือนกันถ้าทางน้อยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างแต่ทำไมอ่ะโอ้ยนี่มันอะไรกันฉันมอง ไม่รู้เรื่องอะไรกันเนี่ยดารินร้องลั่นขึ้นอย่างสุดที่จะโ ง, งนดสนเทในอาการของทุกคนที่รุมล้อมรอบตัวหล่อนขณะ น, นี้นี่น้อยนี่นะสองชั่วโมงเต็มๆแล้วนะที่เราออกเดินนําหน้ามาเนี่ยอนุชาบอกมาเสียงต่ําๆพยายามหาสิ่งผิดปกติในสีหน้าอาการของน้องสาวแต่ก็ไม่พบเลยต่างฝ่าย จึงต่างอยู่ในภาวะมึนงงไปหมดทั้งดารินและพักพวกที่ตามมาด้านหลังดารินขำนวดคิ้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วบอกว่าก็ใช่นะสิคะน้อยก็เอกเดินนําหน้าพวกเราทุกคนมาสองชั่วโมงแล้วแล้วมันยังไงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันพิลึกมหัศจรรย์มากเกิดขึ้นระหว่างที่น้อยเดินนาอยู่ข้างหน้า และพวกเราซึ่งเดินตามอยู่ข้างหลังน่ะน้อยรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเชษฐาถามขึ้นด้วยสีหน้าอันไม่สบายใจนะทําไมเหรอครับพี่ใหญ่มีอะไรนี่นะน้อยงงตกใจไปหมดแล้วกำลังเดินอยู่ดีดๆก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านหลังหันกลับมาก็เห็นพวกพี่ๆน่ะวิ่งพรูงเข้ามาแล้วมีอะไรมาดักอยู่บนเส้นทางที่น้อยนํามาหรือไง คำพูดของหล่อนทำให้ทุกคนของฝ่ายพี่ๆมองหน้ากันเองแล้วกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆอนุชาวราริสเอานิ้วเคาะขมับแล้วเป่าลมพูออกจากปากยังพูดอะไรออกมาไม่ได้ในขนาดนั้นเชษฐาจึงบอกมาว่านี่น้อยตลอดเวลาสิบนาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อพวกพี่ๆเห็นว่าน้อยเดินอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แล้วก็ไม่เคยเหลี้ยวหลังมาดูเลยพวกเราร้องเรียกน้อยอยู่หลายครั้งทั้งตะโกนด้วยเสียงทั้งพยายามใช้วิทยุเรียกแต่น้อยก็ไม่ได้ยินหรือแสดงว่าได้ยินเลยและน้อยได้ยินหรือเปล่าที่พวกเราข้างหลังเรียกอะดารินกับพริบตาทีทีสันสีสันเอ๊ะมีการเรียกหรือคะน้อยไม่เห็นได้ยินเลย แล้วเธอก็ไม่ได้หันกลับมาดูพวกเราบ้างเลยนะชายันบอกมาอีกคนโดยเร็วเอาก็ทำไมฉันจะต้องหันมาดูด้วยเล่าก็ในเมื่อก็รู้ว่าพวกเราเดินตามหลังกันมาใกล้ๆทั้งคณะแล้วเราก็กําลังรีบทำเวลากันอยู่ฉันก็เดินนำมาเรื่อยๆมาสะดุ้งตกใจเราก็ตอนได้ยินเสียงปืนนี่แหละก็เพราะเราไม่ได้ยิน ก็เพราะเรียกไม่ได้ยินเหมือนเหๆกันเดินกันอยู่คนละส่วนโดยมีอะไรมาบังอยู่ทีพี่ถึงต้องหยุดน้อยไว้ด้วยเสียงปืนแล้วก็ยิงไปกระทบหินดักหน้าใกล้ๆตัวน้อยนั่นแหละนี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าลวงถ้าใช้ปืนยิงไปใกล้ๆตัวแบบนี้ยังไม่รู้สึกก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังไม่รู้จะจัดการยังไงต่อเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอยวะเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบแปด นี่นี่พี่กลางยิงปืนขึ้นเพื่อเรียกให้น้อยหยุดหรือคะดารินร้องขึ้นก็ใช่น่ะสิตะโกนเรียกซะคอแหบคอแห้งวิ่งตามก็แล้วทั้งคณะพวกเรานี่เลยแต่ปรากฏว่าตามน้อยไม่ทันเรียกก็ไม่ได้ยินตามก็ตามไม่ทันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นสาหรับเส้นทางในระยะนี้ดารินอึ้หลอนซอยเปลือกตา ท, ทีีเหมือนจะขบคิดอะไรบางอย่าง พวกพี่ชายสอบถามมาอีกหล่อนก็บอกว่านี่น้อยไม่ได้ยินเสียงพวกเราคนไหนเรียกเลยนะคะเป็นความสัตย์จริงแล้วการเดินของน้อยก็เดินตามปกตินั่นแหละไม่ได้คิดที่จะพละออกไปตามลาพังเพื่อพนระยะสายตาถึงแม้จะไม่หันหลังกลับ ม, มองแต่ก็สัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราทุกคนน่ะเดินตามหลังกันมาปกติเพียงแต่ไม่ได้ยินเสียงพูดเท่านั้นก็นึกว่าตั้งหน้าตั้งตาเดินกันมา นี่น้อยมีอาการผิดปกติมากเลยคะ่ะจนถึงขนาดพี่กลางต้องยิงปืนขึ้นน่ะน้อยน่ะไม่ผิดปกติหรอกแต่เหตุการณ์มันผิดปกติคือเราเรียกน้อยก็ไม่ได้ยินแล้วเราก็พยายามเร่งฝีเท้าตามก็ตามไม่ทันรักษาระยะห่างกันอยู่แค่สิบถึงสิบห้าเมตรก็เห็นหลังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละนี่แต่กลางไม่ยิงปืนขึ้นและถ้าน้อยไม่รู้สึกตัวหยุดรอเราก็คงจะตกอยู่ในภาวะอย่างนี้ตลอดทั้งวัน แล้วก็ยังทายไม่ถูกด้วยว่าน้อยจะไปหยุดเอาที่ไหนเมื่อไหร่เชษฐาพูดโดยน้ำเสียงวิตกกังวลและด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกนานาชนิดดารินเพิ่งจะเข้าใจในคำบอกเล่าของทุกคนแล้วรอยยิ้มชนิดนึงก็ผ่านแวบไปบนสีหน้าของหล่อนไม่มีใครทันสังเกตเห็นหรือจับได้ทันมันเป็นยิ้มลึกลับบัดนี้หลอนระหนักแล้ว ว่าอะไรมันเป็นอะไรและหล่อนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะอธิบายให้แก่พรรพวกทุกคนได้เข้าใจด้วยนอกจากจะตบเกลื่อนให้พ้นข้อกังขาไปแต่เพียงคําพูดว่าก็อาจจะมีอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ได้นะคะระหว่างน้อยที่มุ่งแต่จะเดินนำอยู่กับพวกพี่ใหญ่ที่ตามมาข้างหลังคือมันมีอะไรมาแบ่งขั้นระหว่างเราทั้งสองฝ่ายไว้ ในระหว่างที่น้อยมุ่งหน้าเดินอยู่ทําให้เรียกกันไม่ได้ยินส่วนการเดินของน้อยก็เดินอย่างปกติธรรมดานี่แหละคิดว่ามันควรจะไปทางไหนก็ตัดทางมาด้านนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดจะเดินหนีพวกเราทุกคนเป็นการเดินนํามาข้างหน้าเพื่อพวกเราทั้งหมดเดินตามมาเท่านั้นเองพิกลางยิงปืนขึ้นก็ดีแล้วน้อยจะได้หันมารับรู้ว่าทุกคนต้องการให้น้อยหยุดก่อนแต่ขณะที่เดินอยู่นั่นนะสาบานว่าไม่ได้ฉเฉลียวคิด หรือได้ยินอะไรเลยจริงๆกล่าวจบหล่อนก็หัวเราะออกมาเบาๆเอ๋ไม่ค่อยเข้าท่าซะแล้วแฮะแบบนี้ชัยยันครางออกมาเรียกแล้วไม่ได้ยินไม่เป็นไรห ร, รอกนายหญิงแต่ไอ้ที่มันพิกลก็คือพวกเรากลัวตามนายหญิงไม่ทัน ทั้งๆ ท, ที่ก็เห็นหลังกันอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะสิมันทำท่าจะไม่ดีนักอย่างนายทหารว่าหนานอินกล่าวขึ้นก็ทุกคนเดินตามฉันไม่ทันอย่างนั้นเหรอดารินทวนคําซ้าๆยกมือทั้งสองขึ้นลูบหน้าเออก็แปลกดีนะแต่ทำไมทุกคนไม่คิดมากนะว่าฉันก็ลูกศิษย์ของไพรวันระพินไพรวัน มนราอาคมเสยเวทในการเดินป่าต่างๆฉันก็รับถ่ายทอดมาจากเขามากนะแต่ฉันต้องการจะเร่งเวลาจริงๆแล้วฉันก็น่าจะทําได้อย่างระพินเหมือนกันคือทําให้ทุกคนไม่อาจจะเดินทันฉันได้ยามที่ไม่ต้องการจะให้เดินตีคู่มาทันดูระพินเป็นตัวอย่างสิใครเดินตามทันเขาบ้งถ้าเขาไม่เจตนาจะให้หยุดรอหรือหย่อนฝีเท้าให้ทุกคนไม่สนใจกับอาการพูดเล่นของหล่อน ได้แต่เก็บความรู้สึกอันไม่ปลอดโปรง่งสบายใจนักไว้ภายในเคธาสั่งให้ทั้งหมดหยุดพักครึ่งวันชั่วขณะตรงตำแหน่งนั้นอาศัยรองท้องด้วยสเสบียงจากเครื่องกระป๋องแค่ให้พอมีกำลังดารินวราริตเองก็ไม่เอ่ยคำใดในเรื่องนี้อีกหล่อนอยากให้ทุกคนลืมซะแล้วหล่อนก็ไม่อาจจะบอกได้ด้วยว่าตลอดระยะทางที่หล่อนเริ่มต้นออกเดินนามานั้น มันมีปรากฏการณ์อะไรที่หลอนรับรู้รับทราบอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็คือร่างในชุดกระเรียงพน จ, จรของเงาทรายในลักษณะวับวับแวมแวมปรากฏเข้ามาในระบบจักษุสัมผัสของหลอนเดินนำหลอนอยู่เป็นระยะระยะแม้จะไม่ชัดเจนนักในแสงทิวาการอันคลุมเครือที่แวดล้อมอยู่นี้ แต่การปรากฏผุผุโปในเงาแวดล้อมของป่าหินก็พอจะช่วยกำหนดทิศ ท, ทางให้แกหลอนได้หล่อนอาจจะตาฝาดหรือประสาทหลอนไปเองแต่หล่อนก็มีความมั่นใจอยู่เต็มเปี่ยมว่าดวงจิตอันเต็มไปด้วยพลังอำนาจของแง่ทรายได้มาทำหน้าที่ชี้เส้นทางและชักจูงหล่อนแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใดใครอื่นล่วงรู้ได้นอกจากตัวของหลอนเองเท่านั้น เป็นที่แน่นอนแล้วในความรู้สึกของดารินนับัตนี้แล้วว่านอกจากตัวหลอนเองเพียงคนเดียวแล้วจะไม่มีใครสามารถมองเห็นหรือสังเกตได้เลยแม้แต่นิดหนึง่งว่ามีสัญญาณอะไรชนิดหนึง่งมาทำหน้าที่ในการนำเส้นทางตลอดระยะเวลาที่หลอนออกเดินนำหน้ามาทั้งหมดที่เดินตามอยู่เบื้องหลังนั้น จะมองเห็นภาพภูมิประเทศอยู่เฉพาะกรอบที่จํากัดเท่านั้นโดยมีส่วนหลังของหลอนเป็นเป้าหมายสังเกตสําคัญไม่อาจที่จะมองออกไปในมุมที่กว้างไกลเบื้องหน้าเกินร่างของหลอนที่เดินนำอยู่นั้นได้มากนักเพราะแก่งแง่โคตรหินสลับซับซ้อนบังเอาไว้ต่างกับตัวของดารินเองเมื่อได้มาเดินนาทางอยู่เบื้องหน้านั้นก็มองเห็นภาพไกลลึก เกินพักพวกเบื้องหลังออกไปอีกเนื่องจากอยู่ในมุมองศาที่ผิดกันหล่อนจึงมองเห็นในสิ่งที่พวกซึ่งตามมาเบื้องหลังไม่อาจจะเห็นได้พักพวกทุกคนแม้แต่เชษฐาอันเป็นพี่ใหญ่ที่หล่อนเคารพรักที่สุดก็มาอยู่ในฐานะที่หล่อนจะชี้แจงแสดงบอกอะไรทั้งสิ้นเหมือนเหมือนกับอะไรต่ออะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่รับรู้รับเห็นอยู่เฉพาะส่วนตัวของหลอนโดยไม่อาจที่จะแพร่งพรายออกไปได้อย่างที่ปรากฏมาแล้วในหลายๆพฤติกรรมดารินตระหนักได้ดีว่าหลอนกําลังเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมลึกลับในสายตาของพวกนั้นอย่างเต็มที่สู้นิ่งสงบเงียบเฉยไว้ซะดีกว่าที่จะต้องอธิบายในภาวะเช่นนี้จะว่าตาฝาดประสาทหลอน หรืออะไรก็ตามทีเธในการที่หลอนมองเห็นเงาของแง่ทรายพลุกพลโผ ล, ล่อยู่ตามซอกหินเพื่อหลอนมุ่งตามไปทุกระยะนั้นดารินถือว่าเป็นโชคลางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองและคณะทั้งหมดคําแมว่ามันจะทําให้การเดินทางผิดทิศหรือนําไปสู่หายานะวิบัติใดๆที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าหล่อนก็ยอมแล้ว การสงบสํารวมกิริยาให้อยู่ในสภาพปกติน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดของหล่อนในขณะนี้หล่อนไม่เกิดอาการพิษสงสงสัยใดๆเลยในการที่พวกนั้นจะกล่าวอ้างว่าระหว่างที่เดินตามหลังมานั้นไม่สามารถจะตะโกนเรียกให้หล่อนได้ยินได้และหล่อนก็ไม่ได้ยินเลยจริงๆเพราะแน่หลักมันจะต้องมีปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง มาเปรียบเสมือนกำแพงกั้นไว้ระหว่างหล่อนกับคนเหล่านั้นไม่ให้ติดต่อถึงกันได้ระหว่างที่หล่อนเดินสวมรอยแงซายตามที่จักสุประสาทหรือมิฉนั้นก็จิตประสาทเหลือบแหลไปพบเห็นนั้นฝ่ายของพวกพี่ชายก็ไม่มีใครปริปากในเรื่องนี้อีกเช่นกันทุกคนเก็บความพิศวงเป็นปมปริศนาที่คบไม่แตกเอาไว้ภายใน ทั้งหมดใช้เวลาเพียงสั้นๆเพื่อตั้งหลักพักเหนื่อยและกินอาหารกลางวันเมื่อต่างพร้อมที่จะออกเดินทางต่อเฉตฐาก็จับข้อมือน้องสาวไว้เอาละต่อไปนี้น้อยเดินไปพร้อมๆกับพี่แล้วกันให้ลุงอิงกับนุชาไปนำทางดีกว่าไม่ค่ะหล่อนยิ้มให้แล้วบอกอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเราได้พูดกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะ วันน้อยจะขอนำทางทุกคนก็ยอมไม่ใช่หรือคะแล้วน้อยก็ไม่ได้เดินล้าหน้าไปไกลอะไรมากขอเพียงแต่ให้เป็นคนเดินอยู่ข้างหน้าของทุกคนเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็เฉพาะวันนี้แหละค่ะแต่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อกี้ขึ้นมาอีกคือน้อยนำหน้าไปโดยที่ทางฝ่ายพี่เรียกไม่ได้ยินแล้วก็ไล่ไม่ทันงั้นเอาเป็นว่า น้อยสัญญาว่าจะหมันเหลียวหลังกลับมามองดูพวกเราแล้วก็จะเปิดวิทยุสแตนบายไว้ด้วยพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เปิดวิทยุไว้แล้วก็เอาแต่เดินเพลินไปหน่อยประสาทส่วนที่6ของน้อยมันบงการในด้านการเดินตลอดและมันก็อาจจะไปกดประสาท์ทั้งห้าทให้น้อยไม่ได้ยินเสียงของพี่ใหญ่ถ้าน้อยตกอยู่ในอาการที่พวกพี่ใหญ่สงสัยอีกเมื่อไรเป็นต้นว่าตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินหรือพยายามเดินแล้วก็เดินไม่ทัน เอาเป็นว่ายิงปืนเรียกอีกอย่างตะกี้นี้แล้วกันเชิฐา จ, จ้องหน้าย่างอึดอัดลังเลใจยังไงบอกไม่ถูกแล้วก่อนที่เขาจะเออยังไงอนุชาก็พูดมาเสียงขรึมๆว่าพี่ใหญ่ครับเอาเปนว่าทดลองให้น้อยเดินอย่างที่เขาต้องการต่อไปเถอะครับรู้สึกว่าเขาจะมีความมั่นใจอะไรสักอย่างที่เขาไม่ยอมบอกให้เราทราบ ยังไงเส้นน้อยก็คงไม่เดินลับหายไปจากสายตาเราหรอกท่านหัวหน้าคณะอันเป็นพี่ชายใหญ่หันไปทางชายยันเหมือนจะขออย่างความเห็นนี่คนอดีตนายทหารปืนใหญ่แยกเคียวเอะลองดูอีกทีเชตามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียงนักหรอกเพราะมันก็เป็นเวลากลางวันแล้วก็มองเห็นกันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เกิดอะไรขึ้นก็รู้เองแหละดุงอิน่ะ มีความเห็นไงฉันไม่ต้องการให้นายหญิงไปเดินนำหน้าแบบมิกกี้นี้เลยนะความจริงหน้าที่นำทางน่ะควรจะเป็นของพรานชดที่ลุงอินไม่ใช่เหรอเชษหาหารือไปทางครูพรานผู้เท่าเป็นคนสุดท้ายหนานอินหัวร่อฮือฮในลำคอเหลือบตามองดูภูมิประเทศป่าหินที่แวดล้อมรอบตัวแล้วหันมาแลดูหน้าดารินเหมือนจะค้นลึกลงไปให้พบสิ่งลี้ลับ ที่แอบแฝงอยู่ตามประษาคนแก่กล่าวิชาอย่างแก <c oughs> นายหญิงอยากจะนำหน้าก็ย้าไปตามเดิมเหอะนายใหญ่ขนาดนายหญิงหายพลัดพราจากพวกเราไปตั้งหลายวันหลายคืนยังเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้จนเราตามไปพบเดินไปดึกกันทั้งคณะอย่างนี้เว้นทอดระยะอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดแปดวานายหญิงจะอยู่ในสายตาของพวกเราตลอดเวลา และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรานชดกับ น, นานอินก็คงจะยิงคุ้งกันในฐันการน่นะเมื่อนั้นอดีตท่านทูตทหารบกจึงปล่อยข้อมือน้องสาวออกพร้อมกับกาชับว่า น, น, น, นี่น้อยไงไงก็มันหันกลับมามองข้างหลังมั่งนะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปท่าเดียวแล้วก็อย่าทิ้งห่างเกินกว่าสิบเมตรเมื่อจะเข้าสู่เหลี่ยมมุมหินที่ลับตานะ่ะ รอยพวกเราข้างหลังตามไปถึงสักก่อนและถึงจะเคลื่อนต่อไปวิทยุที่เอเนบเอลนะเปิดพร้อมไว้ด้วยค่ะตกลงค่ะพี่ใหญ่จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่มีข้อแม้ที่น้อยจะขอร้องอยู่อย่างหนึ่งนะคะอะไรคืออยากจะขอร้องว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วได้ปรดกรุณาอย่าส่งเสียงเอะอะหรือตะโกนเรียกน้อย ไงๆก็ขอเดินตามหลังไปเรื่อยๆกันแล้วกันรับรองว่าทางฝ่ายพี่ใหญ่จะมองเห็นน้อยอยุ่ทุกระยะทีเดียวและไม่หว่าใครทั้งสิ้นอย่าได้พยายามเดินกระชั้นชิดน้อยเข้ามารักษาระดับเว้นห่างไว้คงที่เท่าเดิมมาเป็นดีที่สุดไม่แน่นะคะก่อนพักค่ำนี้เราอาจจะได้ข่าวหรือมองเห็นลู่ทางที่ดีขึ้นยังไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้เช่ถไาม่กล่าวอะไรอีก ยักหน้าง่ายๆแล้วตบหลังหล่อนเป็นสัญญาณอนุญาตตนเองยังยืนคาบซิก้าส่งสายตาตามหลังน้องสาวไปเช่นนั้นทุกคนเริ่มเคลื่อนตามหลังดารินต่อไปและผ่านหน้าเข้าไปตามลำดับจนกระทั่งนานอินเดินเข้ามาใกล้นี่ลุงอินฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะนายหญิงของลุงอินมีอการลึกลับยังไงพิกต นับตั้งแต่เราไปชิงตัวก็มาได้จากไอ้ผีดิบมันไรเป็นต้นมาทีเดียวสั่งไม่เราเรียกเขาโดยไม่จําเป็นไม่ให้เดินเข้าไปชิดตัวแล้วก็บอกว่าเราจะได้ทราบข่าวดีเขาเอาอะไรที่ไหนมาทําให้เกิดความเชื่อมั่นถึงขนาดพูดออกมาได้อย่างงี้นะใหญ่ครับนายหญิงนั่นไม่ต้องการในพวกเราเดินเข้าไปใกล้หรือห้ามไม่ให้ชวนพูด ก็เพราะต้องการเดินไปด้วยสมาธิจิตอันแน่นนิ่งนั้นอินก็พอจะรู้ล่ะมันเป็นการเดินเพื่อย่นระยะทางของคนมีอาคมสูงเอาเป็นว่าเราตามนายหญิงไปเรื่อยๆแล้วกันระยะทางมันจะย่นเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวครูพรานพูดหน้าตาเฉยแต่ไม่มีแววเลาะเล่นเชตถานม้วนคิ้วขมวดคิ้วจุ ป, ปากเบา น้องสาวฉันความจริงก็ไม่ได้มีเวทมนอาคมอะไรเหมือนแม่มดนาลูอินน้นอินก็ไม่รู้หรอกว่านายหญิงเรียนอาคมชนิดนี้มาจากนายระพินไกนหรือเปล่าแต่ก่อนออกเดินทางมาตะแรกก็ไม่เห็นอาการของนายหญิงเหมือนวันนี้เลยถ้านายหญิงไม่ได้มีอาคมที่จะเดินยนต์ทางได้โดยตัวเองแกก็ต้องถูกชักนํา ด้วยอำนาจอะไรซักอย่างที่เรามองไม่เห็นและตัวแกเองก็อยู่ในรัศมีอำนาจนั้นด้วยทําไม่เท่าที่แล้วมาเราพยายามจะกลัวตามสักเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันจนกระทั่งพรานชดต้องยิงปืนขึ้นและนายหญิงรู้สึกตัวหยุดรอเสียงปืนนะ่ะทําให้ในายหญิงตื่นจากสมาธิจิตการที่เราทั้งหมดเดินตามเข้าไปทัน ก็เพราะพลังอำนาจที่เข้าชักจูงนายหญิงคาตอนออกจากกันแปลกแล้วนี่ลุงบอกให้พรานชดเขารู้หรื อ, อยังตามที่ลุงคิดอย่างนี้นายใหญ่พรานชดนะ่ะรู้เท่าๆกับนานอินนั่นแหละไม่ต้องไปบอกหรอกเพราะฉะนั้นแกถึงได้ยอมให้ในายหญิงเดินนําหน้าเหมือนเดิมไงเออแล้วตัวนายหญิงเองล่ะ ลุงคิดว่าเขาเข้าใจตัวเองไหมว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นั้นอินแน่ใจว่านายหญิงน่ะเข้าใจรู้ตัวเองดีที่สุดแต่ไม่ยอมบอกพวกเราเท่านั้นนายหญิงน่ะเป็นคนมีชานแล้วชานจะเข้ามาประทับทรงอยู่ในดวงจิตเป็นระยะระยะไปเวลาใดก็ตามที่ชานแก่กล้ามีอํานาจเต็มที่ นายหญิงจะเกิดความมั่นใจอย่างที่สุดและจะไม่ยอมฟังเสียงใครเลยนนี่น่นะสังเกตมาหลายครั้งแล้วออกเดินก็ได้นยายใหญ่พวกเราไปไกลแล้วประโยคหลังครูพลานกล่าวเตือนขึ้นทั้งสองเดินตามหลังขบวนไปเป็นคู่ปิดท้าย ดารีคุออกนำทางต่อไปเปรียบเหมือนเป็นมัคุเทศผู้ชำนาญต่อเส้นทางอยู่ก่อนแล้วแต่ความจริงหลอนมืดมนไปหมดอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่ทิศในยามนี้ก็ยังจับไม่ถูกถ้าไม่เอาเข็มทิศขึ้นมาเทียบเพราะท้องฟ้าที่หนักไปด้วยเมฆหมอกทำให้มองไม่เห็นแสงตะวันเห็นแต่แสงสลัวๆวมีสีสันประหลาด จับก้อนเมฆทึบที่ลอยต่ำนั้นสม่ำเสมอกันไปหมดแต่หล่อนก็มองเห็นเงารางๆของแง่ทรายอยู่ทุกระยะอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เดินล้ำมาเบื้องหน้าของทุกคนเห็นผ้าคาดสีสะสีแดงเสื้อกักสีดำและปืนปัสตันริวินแบบคานเวี่ยงรุ่นโบราณที่สภายอยู่กะไลเดินนำอยู่เบื้องหน้า บางครั้งก็ใช้ปากกระบอกปืนโบกว่าชี้ทางและเมื่อมีเส้นทางหลายๆแพร่งรอคอยอยู่เบื้องหน้าหล่อนพยายามเพ่งสายตาค้นหาตรวจตาอยู่ทุกระยะบางขณะร่างนั้นจำลับมุมหายไปและบางขณะก็ปรากฏโผล่ให้เห็นครึ่งตัวเหนือหมู่หินเหมือนภาพฝันหรือภาพที่หล่อนจินตนาการขึ้นมาเองทุกคนของฝ่ายติดตามมาเบื้องหลัง ก็คงสาวรอยตามหล่อนมาเงียบๆทุกระยะนานๆครั้งหล่อนจะหันหลังมาดูเบื้องหลังซึ่งก็เห็นคณะพากันเดินตามมาด้วยอาการปกติแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ส่งเสียงกระตกกระตากหรือเรียกหล่อนขึ้นอย่างใดทั้งสิน้นน่าแปลกที่ทุกครั้งเมื่อหล่อนหันกลับมามองหลังพอเหลียวกลับไปด้านหน้าตามเดิม ภาพของแง่ายจะอันตรธ า, านไปพักใหญ่ต้องสงบจิตเพ่งอยู่ระยะหนึ่งภาพของเจ้าอาดีตคนใช้ชาวดงจึงปรากฏให้เห็นอีกและก็จะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปที่หลอนเหลียวกลับทางเบื้องหลังอนุชาชายันเฉถาและหนานอินมีความรู้สึกที่ตรงกันหมดเพียงแต่ไม่มีโอกาสที่จะพูดบอกกันเท่านั้น สิ่งนั้นก็คือภาพของหญิงสาวที่เดินนาอยู่เบื้องหน้านั้นและเป็นภาพพร่าซ้อนเหลื่อมกันยังไงพิดกฎมูโคทิ น, นันเป็นภูมิประเทศแวดล้อมของทางที่ผ่านไปนั้นเล่าก็ตกอยู่ในสภาพซ้อนเหลื่อมเช่นเดียวกันเหมือนมองออกไปจากเลนของกล้องถ่ายรูปที่ยังจับภาพโฟกัสไม่ถูกที่แต่งพยายามขยี้ตา แล้วเพ่งมองทิวทัศเบื้องหน้ารวมทั้งร่างของหญิงสาวที่นำอยู่เบื้องหน้าบ่อยครั้งพื้นผิวดินปนกรวดทรายที่เหยียบย่างไปก็ดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนไหวครงเคลงอยู่น้อยๆเป็นระยะๆเช่นกันจะว่าเป็นอาการเบื้องต้นของปรากฏการแผ่นดินไหวก็ใช่ที่เพราะมันไม่มีสัมสําเนียงใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้น และอาการสั่นของเบนดินก็ไม่ได้มีทวีมากขึ้นไปกว่าความรู้สึกที่คล้ายเกิดขึ้นจากอุปทานนั้นอาการวิงเวียนเกิดขึ้นกับทุกคนโดยทั่วหน้าของฝ่ายติดตามจนคิดว่าตนเองเกิดจับไข้ไม่สบายขึ้นแต่ก็บากบั่นกัดฟันเดินกันต่อไปโดยไม่เอ่ยคำใดซึ่งกันและกันทั้งสิ้นร่างของดารินวราฤทธิ์ยังคงเดินเป็นเรือนาร่อง บุกซอกซอนไปตามโคถินเหลือที่จะกนานับได้นั้นโดยไม่หยุดยัง้งที่สุดท้องฟ้าเบื้องบนก็สลัวมัวมืดลงไปตามลำดัดมันเป็นเวลาใกล้ค่ำเข้าไปเต็มทีแล้วจูจูโดยไม่ทันรู้ตัวจากการที่มุ่งตามหลังดารินมาอย่างเดียวทุกคนก็โผล่มาพบกับทุ่งหญ้าเขียวขจีเล็กๆอย่างกระทันหัน เป็นพื้นราบเรียบเนื้อที่ประมาณสองไร่ภายในที่แวดล้อมของทิวหินสูงสูงต่ำๆ่ที่โอบแวดล้อมเป็นกำแพงวงกลมรอบทิทั้งหมดแลไปเห็นหญิงสาวผู้ทาหน้าที่นำทางมาโดยตลอดหยุดยืนนิ่งอยู่กลางพื้นหญ้าเขียวสดนั้นเหมือนจะลังเลต่อการเดินหรือมามึนงงกับภูมิภาพที่ประจันหน้าโดยไม่คาดฝันนั้น โดยที่ยังตัดสินใจไม่ถูกก็จะบายหน้าไปทางไหนทุกคนพากันหยุดยืนตะลึงงานต่อภูมิภาพไปหมดพากันเหลียวมองไปรอบๆและก่อนที่ใครจะเอ่ยคำใดต่อกันนั่นเองก้อนหินใหญ่ลูกหนึ่งขนาดครกตาข้าวขนาดใหญ่ก็กลิ้งคลุกคกคกคกคกค ก, กะทะแกงแงโคหินของกำแพงผาด้านที่ดารินยืนประจันหน้าอยู่ แต่กระจายเป็นฝุ่นและสเก็ดจากนั้นมันก็กลิ้งหลนกระแทกลงมาตามลำดับน้อยลกเร็วลอกอนุชาเชษฐาและชยันตะโกนสุดเสียงขึ้นพร้อมกันดารินคงยืนอยู่กะที่เช่นนั้นหลัแ ง, ง้นขึ้นมองดูก้อนหินที่กำลังกงลิ้งลงมานั้นอย่างสงบโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น มันหล่นลงมากระทบโคตใกล้ๆเชิงผาแล้วกระดอนคลุกๆๆมายังบริเวณที่หล่อนยืนอยู่หล่อนก็เพียงแะ่เบี่ยงกายออกไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยปล่อยให้มันทะริ่งผ่านตัวไปประมาณสามวาแล้วไปหยุดนิ่งอยู่กับพื้นหญ้าอย่างหมดริบบัดดนเสียงพวกลูกหาก็พากันร้องเออะอะโวยวายขึ้นยางตกใจทิ้งสัมภาระข้าของลงจากไหล แลปลดปืนลูกซองที่สะพายไหลออกมาอย่างโลนลานพลางชี้ขึ้นไปบนขอบกําแพงหินรูปวงกลมรอบด้านที่แวดล้อมอยู่ร้องบอกกันเซงแซ่เอ็ด e อึงนายดูนั่นดูนั่นทั้งหมดแงนขึ้นไปยังทิวหินที่รายล้อมรอบอยู่นั้นทันทีที่มองเห็นทุกคนช ง, งักนิ่งตะลึงงันกันไปชั่วขณะจิต เงาทมืนสูงใหญ่มองผัดผาดเหมือนหมีควายปรากฏอยู่ตามแก่งแง่โคดหินที่โผล่แวดล้อมอยู่เป็นกำแพงนั้นรอบทิศทานบางก็ยืนสองขาบางก็ลดตัวลงสีขาเห็นเรียงรายดำมืดไปหมดและที่กำลังค่อยๆผุดโผล่ออกมาจากหลังกำแพงหินที่นั่นจุดหนึ่งที่นี่อีกจุดหนึ่งเพิ่มทวีมากขึ้นจนนับจำนวนไม่ทั่ว กลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหมดถล่มเข้ามาตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งโดยกระทันหันอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะมองไปทางใดพวกมันทั้งนั้นที่พุดโผล่ขึ้นมาจังกล้าอยู่ตามขอบของทิวหินสูงสู ง, สงต่ำๆที่แวดล้อมอยู่อันความจริงก็ไม่ได้สูงขึ้นไปมากนักระยะก็ไม่ห่างไกลอะไรซึ่งถ้ามันจะพากันกระโจนพรวดพลาดลงมายังคณะที่ยืนตะลึงกันอยู่ในขณะนี้ ก็คงใช้เวลาเพียงชั่วไม่กี่พริตาเท่านั้นขณะจิตหนึ่งที่ต่างแลขึ้นไปพบพวกมันโผล่ขึ้นมาเห็นเงียบเงียบเหมือนเงาปีศาจกลางแสงสายันต่อแล้วกึงอึดใจต่อมาก็เริ่มแยกเขี้ยวขาวสแสดงอาการขู่ตะคอกเสียงดังครูคราแท่ซ้่ไปหมดพร้อมกับอาการสายโยกตัวทรมาการเหมือนจะกระโจนลงมาใส่ บางก็หกคาเมนตีลังกาอยู่บนยอดหินเหล่านั้นพวกลูกหาบทุกคนบัดนี้ประทับปืนขึ้นแล้วชนิดที่ปลายลํากล้องวาดกระทบกันเองเสียงดังกราวไปหมดเพราะความตื่นเต้นตะลีตะเลือกขนาดนั้นเองเสียงร้องสั่งอย่างละล่ำละลักของอนุชาและหนานอินก็ดังขึ้นพร้องกันในลักษณะตะโกนเฮ้ย hey! อย่ายิงอย่ายิงไปนั้นขาดอย่ายิง มันก็ชั่วเซียวของวินาทีเท่านั้นที่ส ก, กัดกั้นไม่้ปืนจากฝ่ายลูกแ h ạ n ที่แทบจะควบคุมสไปไม่ได้เหล่านั้นยังนิ้วมือได้ทันก่อนที่จะลั่นไกแต่ก็ยังเบิกตาโลงจ้องปืนระวังเตรียมพร้อมในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนยังยืนเฉยจ้องมองดูภาพที่เหมือนฝันอันน่าสะพึงกลัวนั้นเงียบกริบกันไปหมดดารินวาราริศ ผู้ยืนโดดเด่นอยู่เบื้องหน้าห่างจากกลุ่มออกไปประมาณ7 8เมตรบัดนี้ช้านิ้วลักเสรไปีกหมวกของหลอนให้หลุดออกไปจากการครอบอยู่บนศีสันซึ่งมันตกไปห้อยอยู่ยังเบื้องหลังเพราะยังมีสายรัดคางติดอยู่หลอนเปิดใบหน้าตัวเองให้เห็นเด่นชัดเลือดขีขึ้นอาบใบหน้าเป็นสีชมพูอย่างไปตีใจจนเหลือที่จะกล่าวได้ มือทั้งสองชูขึ้นเหนือสีสษะเหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณทักทายกับร่างที่เต็เมไปด้วยขนสีดำอันปรากฏอยู่รอบทิศเหล่านั้นแล้วว่าต่ำช้าๆเป็นจังหวะมาทางเบื้องหลังแทนความหมายให้ทุกคนอยู่ในความสงบและเตือนไม่ให้ใครยิงปืนขึ้นแม้แต่นัดเดียวรอนธรรมาการเตือนด้วยสัญญาณมือสลับกันอยู่เช่นนั้น ในขณะเดียวกันเจ้าพวกที่ปรากฏกายเกลือนลาดอยู่บนยอดหินก็ส่งเสียงสรรพสำเนียงของมันโวกวากไปอีกลักษณะหนึ่งสนั่นไปทั่วบริเวณกระโดดขยมยอดหินบางตัวก็เอามือแข็งแรงยาวเหยียดของมันตบเปาะแปะเข้าหาตัวแล้ว๋ปะลงไปกลางหัวบางตัวก็เอามือป้องหน้ามันคำเมนมองลักษณะอาการเหมือนพวกลิงชิมแปนซี แต่ขนาดของมันใหญ่กว่ามากเหลือเกินและจากอากัปกิริยาลุกลิกซุกซนเช่นที่ปรากฏให้เห็นอยู่นั้นสัมผัสของมนุษย์เบื้องล่างในวงล้อมระหนักได้ชัดแล้วไม่ใช่หมีควายหรือสัตว์ประหลาดอื่นใดอย่างที่เหลือไปเห็นแต่แรกอย่างใดทั้งสิน้นแต่แท้ที่จริงมันคือเหล่าสวาวานนหรือเจ้าพวกทหารพระรามแห่งภูเขานิลกา อย่างที่เคยพบเห็นมาก่อนแล้วนั่นเองดาริงยิ้มออกมาน้ำตาคลอเบ้าส่งจูบเข้าไปยังกองทับของฝูงลิงใหญ่อันเคยเป็นมหามิตรกับคณะของหล่อนในอดีตแล้วป้องปากตะโกนสุดเสียงเรียกน้ำหนึ่งออกไปก้องไปทางหุบหินที่แวดล้อมวาย กองทัพย่อยๆหรือมิฉะนั้นก็ไพร่พลประชากรของนครวานอนแห่งเทือกเขานิลการส่งเสียงโวกวากสนันอึ้งยิ่งขึ้นกระโดดโลดเต้นชุลมุนกันอยู่บนขอบหินที่แวดล้อมอยู่นั้นพลุกพลานเศษก้อนหินใหญ่น้อยร่วงพลูเป็นฝุ่นรอบด้านไปหมดบางส่วนก็หักกลิ้งลงมาเป็นโกลาหนเกิดจากการเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นของพวกมัน มากกว่าที่จะเป็นการจงใจใช้หินเหล่านั้นคว้างปาหรือมีสั ญ, ญลักษณ์ใดว่าจะมีเจตานาร้ายทั้งสิ้นเหมือนเหมือนกับว่าพวกมันจะโห่ร้องแสดงอาการปรีดาต้อนรับฝ่ายมนุษย์อยู่บนนั้นเป็นที่สนุกสนานคึคลื้นตามประสาวานอนทั้งหลายระหว่างที่ฝ่ายพวกลูกหาบยังตะลึงอยู่กลุ่มของเจ้านายก็เปลี่ยนความรู้สึกอันผวาโกรตกใจไปหมดสิ้นแล้วกลายเป็นความยินดี ทั้งหมดยิ้มออกมาได้โดยเฉพาะชา ย, ยันนถึงกับกระโดดตัวลอยถอดหมวกออกมากวาดแหวงและช่วยส่งเสียงตะโกนเรียกขึ้นไปดังส น, นั่นไอ้พวกนินลเพชรนินลพัฒทหารพระรามิตรกับพวกเราทั้งนั้นชัยโย<อ>นี่พวกเราพอมาพบกับทหารเก่ายัางไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ยังไงเฮ้ยนิลาวายาอยู่ที่ไหน ดีใจล่เกินดีใจที่ได้เจอพวกเจ้าอีกพวกเรากำลังเดินทางไปหาพวกเจ้าอยู่ทีเดียวไม่นึกเลยว่าจะมาพบกันก่อนระหว่างทางเชื่ถาเองขณะนี้ก็ยิ้มออกมาได้แล้วยกมือขึ้นโบกไปมาอย่างยินดีเหลือที่จะกล่าวขายินนั่นกูร้องก้องกระโดดโลดเต้นทาอาการเหมือนเหมือนกับเจ้าลิงใหญ่พวกนั้น นานอินเองก็หัวร่อราออกมาได้เป็นครั้งแรกอุทานออกมาว่าโชคของเราแล้วเจ้านายทั้งหลายพวกของวายาจริงๆนั่นแหละเจ้าพวกนี้แหละที่เคยช่วยชีวิตนานอินกับพรานชดไวอนุชาวราริ์หลับตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจลึกเข้าปอดอย่างสมหวังบัดนี้เขาบอกกับตนเองในใจว่า ไม่เป็นการผิดพลาดเลยที่เขาตัดสินใจยอมให้ดารินเป็นคนเดินนำทางมาภูเขานิลการที่ทุกคนเจตนาจะมุ่งไปเป็นเป้าหมายแรกในขณะ น, นี้ยอมมองเห็นอยู่แค่เอื้อมแล้วเมื่อเจ้าลิงใหญ่เหล่านี้โผลออกมาให้เห็นมันไม่ได้โผล่ให้เห็นในลักษณะบังเอิญใดๆเลยแต่เหมือนกับว่ามันได้ยกพลมาดักรอคอยรับอยู่แล้วฉะนั้น จะเกิดจากอะไรก็สุดที่เขาจะเดาได้ถูกน้านอินหันไปสั่งให้พวกลูกหาบที่ยืนถือปืนจ้องอยู่ให้ลดปืนลงพร้อมกับบอกมาโดยเร็วว่านี่แหละคือเจ้าพวกหลิงดําใหญ่ที่ข้าสั่งบอกเองไว้แล้วไงว่าถ้าพบเห็นที่ไหนก็อย่ายิงเป็นอันขาดมันเป็นมิตรกับพวกเรายกกองทัพยกมารับกันเป็นกองทัพเลย ต้องตกใจกลัวหรอกพวกลิงของฤาษีกนธัญญาทั้งนั้นแหละพวกเองทั้งหมดสบายใจได้แล้วเมื่อนั้นพวกนายชวนและลูกน้องทั้งหลายยิงค่อยๆพากันลดปืนลงด้วยอาการงงๆยังไม่อาจเข้าใจอะไรได้ในขณะนั้นนะรู้แต่เพียงว่าฝ่ายเจ้านายทุกคนกำลังอยู่ในภาวะยินดีขีดสุดแทนที่จะตกใจกลัวรื้อเรียมการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้น ดารินส่งเสียงแหลมกังวานของหล่อนร้องเรียกวายาออกไปอีกเสียงของหล่อนดังสะท้อนกลับไปกลับมาตามลือวงล้อมของหน้าผาหญินตำแหน่งประหลาดนั้นวายาความชุลมุนพลุกพล่านของเหล่าวานอนดำและเสียงของพวกมันที่ร้องโครครากกันอยู่เริ่มสงบเบาบางลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเป็นความเงียบสนิทและในกลุ่มของคนลิงที่ยืนดำพืชไปหมดบริเวณเบื้องหน้าของหล่อนนั่นเองก็ปรากฏร่างที่ใหญ่โตโดดเด่นออกไปเป็นพิเศษมองดูกึ่งลิงกึ่งมนุษย์หลังเหยียดตรงสูงใหญ่ขนาดเฉียดสิบฟุตมีขนรุงรังคล้ายลิงแต่บางกว่าก็เดินสวบๆลงมาจากแง่หินที่ยืนระงานอยู่ ตรงเข้ามาหาดารินและฝ่ายมนุษย์ทุกคนโดยมีลิงใหญ่ตัวหนึ่งเดินสีขาตามหลังมานั่นคือจอมวานนผู้มีนามว่าวายาเจ้าแห่ง น, นครลิงเจ้านีลาทหารเอกผู้ซึ่งทุกคนของฝ่ายดารินจำได้ดีที่สุดตามมาด้วยเขาคือมนุษย์กึ่งวานนที่คณะได้เคยให้การรักษาเยียวยาไว จนมีชีวิตรอดจากบาดแผลถูกขิดของเจ้าไทรเซราท็ในครั้งเดินทางผ่านภูเขานิลการคราวมากับระพินครั้งแรกระหว่างที่มนุษย์วานอนผู้มีร่างกายขนาดใหญ่ยักษ์อันเป็นต้นระกูลของมนุษ ย, ยชาติเดินใกล้เข้ามาตามลำดับนั้นดารินสกลดลมปรานพนมมือจรดช่วงอกดิงจิต ระลึกถึงอรหันตเจ้าโกนธัญญะขอบารมีจากมหาฤาษีให้ปรับระบบโสตประสาทของหลอนและทุกคนให้สามารถรับฟังและพูดติดต่อกวายาให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้เหมือนเช่นที่ได้เคยปรากฏมาแล้วอย่าให้มีอุปสรรคขัดข้องใดๆเลยเชฐาอนุชาชัยยันนานอินและขยิง บัตนี้ก็ก้าวเข้ า, ายืนประจันหน้าเรียงเป็นแถวหน้ากระดานเคียงข้างอยู่ตลอดระหว่างที่วายาและนีลาเดินใกล้เข้ามาทุกขณะในที่สุดเจ้าผู้ปกครองนครวานอนก็ได้มายืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนโดยเฉพาะมีตําแหน่งอยู่เบื้องหน้าของดารินผู้บัตรนี้ยืนตรงใจกลางการขนาบของพี่พ ดวงตาใหญ่ภายใต้โหนคิ้วหนาลังออกมานั้นจ้องไปยังทุกคนเสียงต่ำลึกที่เปล่งออกมาครั้งแรกเป็นภาษาสัเนียงที่ไม่มีใครฟังเข้าใจแต่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นทุกคนก็สามารถฟังได้เข้าใจชัดเจนที่สุดว่าวาจาขอต้อนรับนายหญิงน้อ ย, อยและสหายทุกท่าน ที่ได้เดินทางผ่านเข้ามาในเขตแดนของนครนิลกาอีกวาระหนึ่งขอความสวัสดีจงมีแด่พวกท่านทุกคนด่ารินกายสั่นด้วยความดีใจขีดสุดพวาเข้าไปเกาะแขนกํายมที่เต็มไปได้วยขนนั้นร้องมาว่าวายาพวกเราทุกคนดีใจจนบอกไม่ถูกนะที่ได้มาพบเธออีกครั้งแล้วก็ยังจําพวกเราได้ เนี่ยพวกเรากำลังจะไปหาเธอไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้มาพบเธอกนีลาและไพรพลของเธอในระหว่างทางอย่างนี้วายารู้วายาเข้าใจพระคุณเจ้ามาหาฤาษีสั่งให้วายานำไพรพลนิลักการออกมาดักรอคอยพบนายหญิงและท่านทั้งหลายอยู่ และจอมวานอนผู้ครองนครลิงก็หันไปทางเชษถาริมฝีปากหนานั้นมีอาการเหมือนจะยิ้มแยม้มวายายินดีที่ได้เห็นพวกท่านทั้งหลายผู้เคยให้ความเมตตาและเป็นมหามิตรอันยิ่งใหญ่วายาจำได้หมดทุกคนที่วายาเคยเห็นระลึกถึงบุญคุณที่ได้เคยมีไว้กับวายา ยังไม่มีวันลืมพวกท่านปลอดภัยแล้วเมื่อได้พบกวายาเช่นนี้โดยองค์การประกาศิษ์ของมหาฤาษีเชษฐาและทุกคนพากันทักทายวายาด้วยความปีติยินดีเหลือที่จะกล่าวได้ดารินหัวเราะทั้งน้ำตาเอื้อมมือไปที่เจ้านีลาซึ่งเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังของวายาใกล้้ดู พร้อมทั้งทําเสียงเบาอยู่ในลำคอเมื่ออันยาวเหยียดของมันจับมือหล่อนไว้เอาไปวางไว้บนศีรษะอันใหญ่โตหล่อนจริงกอดร่างอันเต็มไปด้วยขนของมันอย่างแสนจะรักสนิทร่าพูดละล่ำละลักนีลาในที่สุดฉันก็ได้พบเจ้าและพวกเจ้าทั้งหมดอีกฉันดีใจนะดีใจยันบอกไม่ถูกแล้ว ห ว, ว่าพวกเจ้าคงจะสุขสบายกันตามสถานภาพนะส่วนพวกชั้นก็ลําบากยากแค้นเหลือเกินน่ะกว่าที่จะบุกบั่นมาจนพบวายาแล้วก็พวกเจ้าเช่นนี้อีกครั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทีเดียวเชละ่ะเจ้านีลาจอมธโมลใหญ่ทําท่าเหมือนจะอุ้มลอนชูขึ้นแต่วายาหันมาส่งภาษาต่ําๆมันจึงวางหญิงสาวลงออกเดินทรายอาดัอด เข้ามาเอามือแตะกายเชิดาอนุชาชายันนานอินและขยิมเรียงไปตามลําดับเหมือนจะทักทายด้วยทุกคนทั่วหน้าแล้วหันไปส่งเสียงโวคเวกกับพลพรรคที่เรียงรายเต็มไปหมดรอบทิวหินเจ้าพลลิงพวกนั้นก็พากันเคลื่อนไหวลงมาจากยอดหินในทันทีนั้นเต็มทุ่งหญ้าแคบแคบไปหมดแต่ก็พากันจับกลุ่มแวดล้อมอยู่อย่างสงบ มีอยู่ไม่เกินสิบตัวในระดับหัวหน้าเท่านั้นที่เคลื่อนเข้ามาสมทบด้วยฝ่ายของดารินล้วนจำลักษณะของพวกมันแต่ละตัวเหล่านั้นได้ทั้งสิน้นเพราะเคยมาพำนักสังคมคลุกคลีอยู่ด้วยกันนานพอสมควรในยุคนั้นนั้นอินหันไปอธิบายสั้นๆกับพวกลูกหาบทั้งหลายซึ่งพวกนั้นก็พอจะเข้าใจความหมายได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต่างคลายความหวาดกลัวลงมาพากันมองดูว่ายา มนุษย์ประหลาดและฝูงลิงใหญ่เหล่านั้นโดยความตื่นเต้นประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวได้